มีเรื่องเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่ในย่านอำเภอนครชัยศรีต่อๆกันมานะคะว่าหลวงปู่บุญท่านสำเร็จวิชาสำเร็จาธาตุซึ่งเป็นวิชาเดียวกันกับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาธค่ะสามารถเสกใบไม้เป็นต่อเป็นแตนเสกหัวปีเป็นกระต่ายให้พิสวงต่อผู้พบเห็นกันมาแล้วนะคะ หลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วคะ่ะก็มีคุณวิเศษไม่แพ้กันเรื่องก็มีอยู่นะคะว่าในปีหนึ่งหลังจากช่วงประมาณออกพรรษาได้มีพระรูปหนึ่งนะคะชื่ออาจารย์ฮวดวัดดอนมโนราได้เดินทางมาหาหลวงปู่บุญโดยอ้างว่าอยากให้หลวงปู่บุญแนะทางในเรื่องวิปัสนาแล้วก็สอบอารมณ์จะมาขอพักที่วัดสักเดือนหนึ่ง ผ่านไปสองถึงสามวันค่ะอาจารย์หวดก็ยังไม่ขึ้นไปหาหลวงปู่บุญตามที่เคยแจ้งถึงวัตถุประสงค์ที่มาวัดกลางบางแก้ววันๆก็เอาแต่คุยอวดอุตริถึงความสามารถของตนในการลงตรรุธได้แบบว่าขลังนะคะยิงแทงไม่เข้ามีวิชาผ้ายันเมตตาสาวๆเจอก็จะหลงรัก สามารถล่วงรู้อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตได้แล้วก็ยังคุยกันนะคะว่าที่มาวัดกลางบางแก้วนี้เพราะว่าหลวงปู่เชื้อเชิญมาให้ช่วยเหลืองานปลุกเสกบนกุฏิอาจารย์ฮวดวันวนหนึ่งเนี่ยจะพลุกพล่านไปด้วยพระเนนและก็คาราวาสที่เชื่อนะคะในคําอวดอ้างของอาจารย์ฮวดแห่งวัดดอนมโนราค่ะเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในสายตาของหลวงปู่ตลอดนะคะวันหนึ่งหลวงปู่บุญได้เรียกเนนคําผู้ซึ่งรับหน้าที่ อาจารย์หวดนะคะให้ไปพบที่กุฏิแล้วก็ส่งแผ่นตะกัวสี่เหลี่ยมให้พร้อมกับคาชับนะคะว่าให้เนม เ, เนี่ยช่วยเป็นทุระให้ฉันหน่อยเธอจ้ะช่วยเอาแผ่นตะกัวนี้ไปให้คุณหวดลงตะกรุดให้ฉันสักดอกหนึ่งนะจะเอาไปกันปืน เนนก็รีบไปนะคะตอนนี้ปลอดคนแล้วช้าเดี๋ยวจะแน่นกันใหญ่เนนก็รับคำพร้อมกับรับแผ่นตะกวดอ่าตะกวดแล้วก็รีบตรงไปยังกุฏิของอาจารย์หวดนะคะระหว่างทางก็นึกกระหยิมยิ้มย่องใจว่าตนเป็นผู้ดูแลต้มน้ําร้อนน้ำชาให้อาจารย์หวดมาตลอดตั้งแต่อยู่ที่นี่แม้แต่หลวงปู่ก็ยังต้องให้อาจารย์หวดลงตะกรุดให้ อาจารย์หวดเป็นพระใจดีไม่เหมือนหลวงปู่ถึงจะใจดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าเพราะว่าเกรงกลัวบารมีค่ะเมื่อขึ้นไปถึงกุฏินะคะ ก็เห็นอาจารย์ฮวดนั่งอยู่เพียงองค์เดียวเนนก็เลยได้แจ้งว่าหลวงปู่ใช้ให้เอาแผ่นตะกัวตัวนี้มาลงเป็นตะกรุดกันปืนให้ใช้สักหนึ่งดอกอาจารย์ฮวดได้ฟังดังนั้นก็นึกกระหิ่มอยู่ในใจแล้วก็หันไปหยิบเหล็กจานแล้วก็ยื่นมือนะคะมารับแผ่นตะกัวจากเนนไปพอแผ่นตะกัวถูกมืออาจารย์หวดเท่านั้นแหละเสียงร้องก็ดังขึ้นบอกว่าโอ๊ยร้อนร้อนเหลือเกิน เน้นอยู่ในอาการตกตะลึงเหตุการณ์เบื้องหน้านะคะพร้อมกับงงว่าแผ่นตะกวดที่ถือมาในมือไม่เห็นจะเป็นเช่นนั้นไม่เห็นจะร้อนเอ๊ะทำไมแล้วอาจารย์หัวถึงร้องเสียงหลงอยู่ก็เลยรีบเข้าไปหมายจะดึงแผ่นตะกวออกจากมืออาจารย์แต่เดชะบุญ ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลุดกับมือนะคะยิ่งเหมือนติดแน่นเข้าไปอีกอาจารย์ฮวดก็ร้องครวญครางต่อไปจากความรู้สึกตนที่คิดว่าความร้อนมาจากแผ่นตะกัว่วแล้วก็บอกว่าร้อนร้อนจริงๆไอ้เนนเอาอะไรมาให้กูมือกูพองไปหมดแล้วสักครู่เสียงร้องก็เริ่มเบาลง ซึ่งคาดคะเนนะคะว่าความร้อนในแผ่นตะกั่วเนี่ยคงจะเบาบางลงแต่เหตุใดแผ่นตะกั่วก็หาได้หลุดออกจากมือของอาจารย์ฮวดไม้ดังนั้นค่ะทั้งสองจึงชักชวนกันไปหาหลวงปู่บุญรีบเร่งให้ตรงไปที่กุฏิของหลวงปู่บุญก้าวขึ้นบันไดกุฏิพ้นบันไดไปก็จะเป็นห้องโถงที่หลวงปู่บุญใช้สําหรับรับแขกเป็นประจำ ทันใดนั่นเองค่ะอาจารย์แล้วก็เนนคําต่างก็ตกใจสุดขีดเมื่อภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือพญาเสือโคร่งตัวใหญ่มหฮ์มานั่งจ้องเขม็งดวงตาเปล่งประกายมายัางทั้งสองพร้อมทั้งไม่ได้จ้องอย่างเดียวแต่ลุกกระโจนมายัางทั้งสองนะคะทั้งสองร้องลั่นพร้อมกันโดนไม่ได้นัดหมายวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตกระโดดลงกุฏิจนจีวอนปลิวไปหมดแข้งขาเขือเนี่ยไม่ได้กลัวว่ามันจะหักนะคะปากก็ร้องลั่นบอกว่าโอ๊ยไม่เอาแล้วเสือเสือ จนพระเนนสิทธ์วัดกลางบางแก้วก็พากันงงไปหมดว่าสองคนนั้นเล่นอะไรกันสิทธ์ผู้รับใช้หลวงปู่ได้รีบเข้าไปดูในกุฏิปู่บุญก็ไม่พบเสือตัวใดยอย่างที่สองคนนั้นร้องเสียงหลงเห็นแต่หลวงปู่บุญนั่งอยู่องค์เดียวพร้อมทั้งส่งยิ้มให้สิอีกทั้งยังสั่งว่าไปดูคุณหวดหน่อยสิเขาว่าจะให้ฉันสอบอารมณ์หลายวันแล้วไม่เห็นขึ้นมารับคาเสร็จ สิทธิ์ผู้นั้นก็ตรงไปยังกุฏิอาจารย์ฮวดเห็นทั้งอาจารย์ฮวดแล้วก็เนนคํานะคะนั่งตัวสั่นเ ง, งินงกฝ่ายอาจารย์ฮวดก็ไม่ได้สั่นอย่างเดียวนะคะก็มือนก็รีบเก็บข้าวของใส่ย่ามหยิบผิดหยิบถูกอย่างเร่งรีบไม่สนใจคําเชื้อเชิญของหลวงปู่พันสิทธิ์ให้ไปสอบอารมณ์เมื่อจัดข้าวของเสร็จก็รีบลงจากวัด่าลงจากกุฏิออกจากวัดไปทันทีทิ้งให้เนนคํายืนถือแผ่นตะกั่วมองตามหลังไปจนลับตาค่ะ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือพระอุปชาอุ่นนะคะหรือว่าพระครูบริบาลสัลย์กิจหลวงปู่อุ่นอุตตโมค่ะแห่งวัดอุดมรัตนารามอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครนะคะได้ไปกราบนมัสการฝังเทศและได้นํารูปพระแก้วมรกตขนาด20นิ้วเป็นภาพพิมพ์ใส่กรอบไปถวายท่านพระอาจารย์แต่ดูท่านจะลืมทําความสะอาดนะคะเพราะว่ามีฝุ่นจับอยู่ท่านพระอาจารย์ก็น้อมรับ ด้วยความเคารพหลังจากท่านอุปชาอุ่นลาลงกุติไปแล้วท่านพระอาจารย์ก็ได้ทำความสะอาดโดยนำผ้าส่งน้ำของท่านมาเช็ดถูหลวงตาทองคำนะคะก็เป็นผู้เล่าให้ฟังบอกว่าเอาผ้าเช็ดพื้นเข้าไปทำความสะอาดด้วยเพราะว่าเห็นผ้ายัางสะอาดอยู่ท่านหันมาเห็นข้าวก็เลยพูดว่า อะไรกันนั่นนั่นรูปพระพุทธเจ้าแท้ๆยังเอาผ้าเช็ดพื้นมาถูได้หลวงตาทองคำก็สะดุ้งไปทั้งตัวเพราะว่าความโง่เขลาเบาปัญญาของท่านก็เลยทำความสะอาดเองเสร็จแล้วก็มีเพื่อนภิกษุทยอยขึ้นไปรวมทั้งท่านอาจารย์วิริยังด้วยนะคะท่านเลยเทศนาถึงความอัศจรรย์ของพระแก้วมรกตให้ฟังค่ะว่าพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่ใดประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคล พระอริยะบุคคลมีอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นจะไม่ชีพหายด้วยภัยแห่งสงครามการเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัย3อย่างก็คือ 1. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ 2. เกิดกลียุคในประเทศนั้นแล้วก็ 3. ด้วยความรักนะคะและหลวงปู่นะคะหลวงปู่มั่นพุริทัตโตท่านยังเล่าอีกนะคะว่าวัด พระแก้วนี้เนี่ยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระสงค์อยู่ไม่ได้เพราะว่าพระสงฆ์จากตระกูลต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดไม่รู้พุทธอัตยาสัยพุทธธรรมเนียมเพราะพระพุทธเจ้าเป็นทั้งกษัตริย์และผู้สุมันอ่าผู้สุคุมารชาตินะคะเมื่อพระสงฆ์ไม่รู้พุทธธรรมเนียมเข้าไปอยู่ก็มีแต่บาปกินหัวผู้รู้ทั้งพุทธอัตยาสัยและก็พุทธธรรมเนียมแล้วมีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้น ครั้งพุท ธ, ธากาลค่ะก็มีพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นทรงรู้แต่ว่าจอมไทยก็คือพระมหากษัตริย์ทรงรู้มาแล้วได้ทรงสร้างวัดถวายจำเพาะพระแก้วเท่านั้น พระมาหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นหน่อเนื้อพุทธทางกูลคือจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าแต่ต่างวัสนาบารมีมากน้อยต่างกันเท่านั้นท่านจึงทรงรู้พุทธอัธยาศัยเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าผู้ได้ย่างไกลเข้าสู่วัดพระแก้วเป็นบุญทุกขณะที่อยู่ในบริเวณวัดแม้แต่ชาวต่างชาติที่มีโอกาสเข้าไปบริเวณวัดพระแก้วจะด้วยศรัทธาหรือไม่ก็ตามก็ได้ก้าวเข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาโดยปริยายหรือจะบังเอิญ ก็แล้วแต่สามารถเป็นนิสัยให้เข้ามาได้ต่อไปจะสามารถเกิดมาเป็นคนไทยสืบต่อบารมีสำเร็จมรรคผลได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลตรงนี้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้พูดถึงวัดพระแก้วมรกตนะคะเป็นเรื่องเล่าจากหลวงตาทองคำผู้ที่คอยอุปถากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะ คุณผู้ฟังคะเมื่อครั้งที่หลวงปู่แหวนสุจินโนบวชได้ไม่กี่พรรษาแล้วก็มีวาสนาถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตท่านก็ได้รับคำสั่งสอนแล้วก็แนะนำในข้อธรรมต่างๆอย่างกระจ่างแจ้งทำการเจริญภาวนากระทำความเพียรก้าวหน้าไปอีกหลายระดับเป็นกำลังใจให้เกิดความวิริยะมานะที่จะสะบันสายใหญ่แห่งกิเลสจนกว่าจะหมดสิ้นในภพชาตินี้ ขณะที่จาพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาหมีนายูง อ, เอำเภอนาําสนจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านพระอาจารย์มั่นได้บอกเล่าให้ฟังนะคะว่าใกล้ฝั่งแม่น้าโขงมีถ้าอยู่แห่งหนึ่งที่ถ้านั้นมีเปรตอยู่นะคะสิงสู่อยู่ไม่ยอมไปไหนหากว่าหลวงปู่แหวนไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ใดนั้นก็ให้ถามเปรต ด, ดูซิว่าชาติก่อนกระทากรรมอะไรไว้ถึงได้มาเกิดเป็นเปรตค่ะ การที่ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวเช่นนี้อาจจะมีเจตนาต้องการให้สิทธิผู้อ่อนพรรษาได้เรียนรู้สภาวะธรรมด้วยการสัมผัสความเป็นจริงโดยตัวเองก็ได้เมื่อหลวงปู่แหวนน้อมรับคำบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเดินทางไปที่ถ้ำดังกล่าวเพียงรูปเดียวนะคะ ที่ถ้ำนี้นี่เป็นสถานที่ร่มรื่นสงบสงัดเหมาะสำหรับการเจริญภาวนาอย่างยิ่งภายในถ้ำสะอาดสะอ้านด้านนอกปากถ้ำเป็นพื้นที่ราบเรียบพอใช้เป็นทางเดินจงกรมได้นะคะครั้นเมื่อถึงเวลาเย็นเมื่อทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วท่านก็เข้าภาวนาภายในถ้ำได้รับผลตามประสงค์ไม่มีอุปสรรคตราบทั้งตอนเช้าคืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สองก็ไม่มีสิ่งผิดปกติจนกระทั่ง คืนที่3ค่ะรูปเงาของเปรตก็เริ่มมาปรากฏโดยแสดงกายมืดดํามีความสูงใหญ่หน้าพรั่นพึงยืนปักหลักขวางหน้าถ้าอยู่หลวงปู่แบนเห็นเปรตแล้วก็ไม่ได้หวัดหวั่นประการใดนะคะเพียงแต่ว่าแผ่เมตตาให้ด้วยจิตกุศลเต็มเปี่ยมปรารถนาจะให้พลังแห่งความเมตตาผ่อนคลายความทุกข์ซึ่งสุมรุมเปรตตนดังกล่าวอยู่จากนั้นก็กําหนดจิตถามเปรตไปว่าชาติก่อนเนี่ยเคยทํากรรมอะไรไว้ถึงได้มาเป็นเปรต เปรตนั้นก็เงียบเฉยไม่ตอบแล้วก็อันตรธานหายไป หลายคืนต่อมาค่ะปรากฏว่าเปรตตนเดิมค่ะมาแสดงร่างกายให้หลวงปู่แหวนได้เห็นทุกคืนในลักษณะเหมือนกันกับคืนแรกคือมายืนประงานเงียบงนันด้วยร่างอันสูงใหญ่ดำทะมึนแปลหนึ่งว่าต้องการข่มขวัญให้พระทุดองคร์รมฐานเกิดความหวาดกลัวแต่ทว่าหลวงปู่แหวนท่านมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่อยู่ในธรรมฉะนั้นท่านจึงตัดขาดไปจากความพร่านพึงทั้งปวงหมดสิน้นกระทั่งคืนหนึ่งเปรตมาปรากฏร่างให้หลวงปู่แหวนได้เห็นอีกนะคะ เมื่อท่านแผ่เมตตาให้แล้วท่านก็ได้กำหนดจิตสอบถามเช่นเดิมคราวนี้เปรตก็ยอมพูดคุยติดต่อด้วยโดยเล่าให้หลวงปู่แหวนได้ฟังค่ะว่าชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์เป็นเพศ ช, ชายตัวเองเป็นนักเลงไก่ชนลุ่มหลงในการชนไก่ซึ่งมีเดิมพันมาใช้จ่ายอย่างสําราญคราวไก่ชนของตนพ่ายแพ้เสียเงินเดิมพันไปตนก็จะถูกโทษะครอบงาจัดการฆ่าไก่ตัวที่ชนเนี่ยแพ้เนี่ยให้ตายซะ และหากไก่ชนตัวใดสู้จนได้รับบาดเจ็บหนักหรือพิการตนเองก็จะขฆ่าเอามากินหมดเช่นกันนะคะได้กระทำกรรมชั่วนี้เป็นอาจินตั้งแต่หนุ่มยันแก่ครั้นอายุมากก็ล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสจนสิ้นใจตายตายแล้วยังต้องไปรับกรรมในนรกเป็นเวลานานจนประมาณไม่ได้ครั้นพ้นจากนารกจึงมาผุดเป็นเปรต หลวงปู่แหวนจึงถามว่าเหตุใดไม่ไปผุดไปเกิดสัทีทำไมต้องอยู่เป็นเปรตเฝ้าถ้ำเฝ้าป่าให้ลำบากทุกยากเช่นนี้เปรตก็ตอบไปว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ายังห่วงเรื่องอาหารที่ได้เสพเนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ย่านนี้นำหมูเห็ดเป็ดไก่มาเส้นสังเวยทุกครั้งที่เข้ามาตัดไม้แล้วก็หาของป่าหากไปอยู่ที่อื่นก็กลัวจะอดอยากเปรตยังเล่าต่อว่าหากชาวบ้านไม่เส้นสังเวยตนก็จะกระทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านก็เลยกลัวตนมาก หลวงปู่แห่นได้เทศนาชี้ทางให้เปรตผะจากที่อยู่อาศัยนี้ไปเสียทีเพราะว่าถ้าจิตหลุดจากความยึดยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อไหร่ตนเองก็จะมีโอกาสได้ไปเกิดใหม่ตามกระแสกรรมของตนมิเช่นนั้นกจจ็จ้องจอมจมอยู่กับถ้ำแห่งนี้เพราะว่าความยึดมั่นเนียวรั้งฉุดไว้ และถ้าสิงอยู่ถ้าแห่งนี้ด้วยความห่วงแหนสถานที่คอยหวาดระแวงว่าจะมีคนอื่นมาแย่งถ้านี้ไปเปรตย่อมแสดงตนให้พบเห็นให้ผู้คนพบเห็นแล้วก็หวาดกลัวเพื่อให้หนีไปซะ หากมีพระทุดงรูปอื่นจาริกผ่านมาเปรตแสดงตัวเจตนาขับไล่เช่นที่เคยทำมาพระทุดงมีจิตเข้มแข็งและสติมั่นคงย่อมไม่เกิดผลร้ายอะไรแต่หากว่าพระทุดงจิตยังไม่แกลก้าแล้วก็หวาดกลัวจนไร้สติย่อมเป็นผลให้เสียจริตหรืออาจถึงมรณาภาพบาปเวรก็จะตกอยู่แก่เปรตกลายเป็นอสุรกรรมถม ท, ทับซับซ้อนจนไม่อาจจะกลับทางสว่างได้อีกคุณผู้ฟังําเมื่อเปรตได้รับฟังด้วยความสงบ แต่ยังไม่สามารถกระทำตาม คำเทศนาของหลวงปู่แหวนได้ท่านเห็นว่าเปรตยังมีมิจฉาทิฐิมั่นคงก็ต้องวางตนอยู่ในอุเบกขาเมื่อเจริญภาวนาครบตามกําหนดที่ได้กําหนดเจตนาเอาไว้หลวงปู่แหวนก็จะรี ก, กลับมากราบเรียนรายงานต่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่ที่บ้านนามีนายุงซึ่งท่านพระอาจารย์มั่นก็ไม่ได้กล่าวว่ากระไรภายหลังเมื่อพระอาจารย์มั่นมีโอกาสผ่านได้เมตตาโปรโดเปรตตนนั้นและเปรตตนนั้นก็หลุดพ้นจากถ้าได้ในที่สุดค่ะ